บทที่78ิบแปดอริยะรับก่อนเข้าสู่พิธีมงคลสมรสซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2518ในายสายมชายก็เข้ากรรมฐ า, านเป็นเวลา15วันตามที่ได้สัญญาไว้กับท่านพระครู ชายหนุ่มตั้งใจปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อจะให้ได้บุญเท่ากับบวชหนึ่งพันษาในวันสุดท้ายของการปฏิบัติเขารู้สึกอิ่มอกอิ่มใจนักกรอนบทหนึ่งผุดขึ้นในความคิดของเขาและจำได้แม่นยำทุกตัวอักษรโลกวุ่นนักขัดข้องลองมานี่เพราะเรามีธรรมะจะให้ท่านป่ามะม่วงร่มเย็นให้เป็นทาน อย่าได้ผ่านไปเปล่าเชิญเข้ามาเมื่อตนได้ลิ้มรสแห่งความสุขอันเกิดจากความสงบนั้นแล้วจึงอยากให้คนที่เป็นคู่มั่นได้มาสัมผัสกับสภาวะเช่นนี้บ้างจึงไปเรียนปรึกษาท่านพระครูเพื่อขออนุญาตเพราะเหลือเวลาอีกตั้งยี่สิบวันกว่าจะถึงวันแต่งงานเป็นความคิดที่ดีทีเดียวฉันอยากให้ขู่สมรสทุกขู่เขาคิดอย่างเธอ เพราะจะทำให้ชีวิตแต่งงานเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยต่างฝ่ายต่างก็มีธรรมเสมอกันท่านพระครูเห็นดี mm hmm. เห็นงามไปด้วยให้เข้าๆสักเจ็วันก็พอนะครับหลวงพ่อเวลาที่เหลือจะได้เอาไว้เตรียมงานชายหนุ่มออกความเห็นก็ได้เจ็ดวันก็ได้ตามใจเขาก็แล้วกันและผมจะรวยไม่ครับหลวงพ่อ พากันมาเข้ากรรมฐานและจะรวยอย่างทิดจอยกับพี่จุเขาหรือเปล่าแน่นอนถึงไม่รวยโภพคารั์ก็รวยอริยรั์หรือไม่ก็รวยทั้งสองอย่างอริยรั์คืออะไรครับชายหนูไม่เข้าใจคือรับอันประเสริฐรั์ในที่นี้ก็คือคุณธรรมประจำใจอย่างประเสริฐเจ็ดประการได้แก่ศรัทธาศีลหิริโอตตะ าหุสัจจะจากขะและปัญญาท่านพระครูอธิบายครั้นเห็นคนเป็นสิทธิ์ทำหน้าไม่เข้าใจท่านจึงขยายความต่อไปว่าอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อยู่ภายในจิตใจจึงดีกว่าทรัพย์ภายนอกเพราะไม่มีผู้ใดแย่งชิงทั้งยังไม่สูญหายไปด้วยภัยอันตรายต่างๆ ทำใจให้ไม่อ้างว้างยากจนและเป็นทุนสร้างทรัพย์ภายนอกได้ด้วยแต่ผมคิดว่าทรัพย์ภายนอกดีกว่านะครับเพราะใช้ซื้ออะไรต่อมีอะไรที่ต้องการได้ชายหนุ่มแยง้งเธอมันเป็นซี่อย่างนี้ชอบตะแบงอยู่เรื่อยฉันไม่อยากพูดกับเธอแล้วผูดไปก็เหมือนเป่าปีให้ควายฟังท่านพระครูเปรียบเทียบคลอดข้างรุนแรง โถหลวงพ่ออยู่ดีไม่ว่าดีมาดา่าผมว่าเป็นควายซะและ้วคนอย่างผมออกปลาดเปลืองสิทธวัดโวยวายใช่สิคนอย่างเธอหนะฉลาดแต่ฉลาดในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องส่วนเรื่องที่เป็นเรื่องกลับไม่ฉลาดท่านหลีเกเลี่ยงไม่ใช้คำว่างโง่ทำไมจะไม่เป็นเรื่องล่ะครับหลวงพ่อให้ผมเข้ากรรมาฐานผมก็เข้าแล้ว แถมยังให้คู่มั่นเข้าอีกด้วยแลวอย่างนี้ไม่ฉลาดหรอครับนี่ผมชักน้อยใจแล้วนะหลวงพ่อไม่เคยเห็นความดีของผมเลยคนพูดรู้สึกน้อยใจจริงดังวาจาเข้าๆแล้วท่านเจ้าของกุฏิพูดยิ้มๆ ม, มีอะไรอีกล่ะครับถามงงๆเธอเคยได้ยินคนเข้าพูดกันไหมว่าคนหัวล้านมักใจน้อย แสดงว่าไกรความจริงมาแล้วเธอครับอะไรอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดผมไม่อยากคิดมากแล้วชายหนุ่มพูดโปรงๆดีคิดอย่างนั้นได้ก็ดีจะได้ไม่มีทุกข์ว่าแต่ว่าเรามาพูดเป็นงานเป็นการกันดีกว่าฉันคิดว่าหลังจากแต่งงานให้เธอแล้วเธอจะต้องย้ายไปอยู่ที่บ้านผู้หญิงเขาแล้วฉันก็ต้องหาคนมาอยู่รับใช้แทนเธอ เจ้าขุนทองคนเดียวไม่ไว้แล้วฉันก็ไม่คอยจะไว้วางใจมันสักเท่าไรเจ้านี่มันคุ้มดีคุ้มร้ายเอาแน่ไม่ได้เธอคิดจะไปหางานทำอื่นหรือว่าจะยังมาขับรถให้ฉันละ่ะพูดมาตรงๆไม่ต้องเกรงใจผมจะมารับใช้หลวงพ่อเหมือนเดิมครับแต่ขอมาเช้าเย็นกลับหรือถ้าวันไหนหลวงพ่อต้องไปธุระตั้งแต่ตีสี่ ผมก็จะมานอนที่วัดรับรองว่าไม่ให้บกพร่องในหน้าที่เลยครับชายหนุ่มให้คำ ม, มั่นสัญญาดีแล้วขอบใจที่ยังเป็นห่วงแล้วฉันก็จะขึ้นเงินเดือนให้เธอจากเดือนละพันเป็นเดือนละสองพันพอใจไหมเป็นพระคุณอย่างสูงครับว่าแต่ว่าหลวงพ่อจะให้ใครมาอยู่แทนผมครับเขาถามฉันก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกัน เธอพอจะมองเห็นใครที่จะเข้ากับคุนทองได้บ้างคือมาอยู่แล้วจะไม่ทะเลาะเบาแวงกันให้ฉันต้องปวดหัวนะ่ะชายหนุ่มครุ่นคิดอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงตอบว่าเจ้าสมชาติน้องชายผมสิครับหลวงพ่อเจ้าหมอนี่มันใจเย็นและก็ไม่ขัดใจใครเจ้าขุนทองต้องชอบแน่ๆเลยและตอนนี้ก็ททำงานอะไร เธอคิดว่าเขาจะมาอยู่กับฉันหรือมาแน่ครับเจ้านี่มันเชื่อผมแล้วมันก็เคยบ่นกับผมว่าขี้เกียจทานาคงไม่มีปัญหาครับเรื่องนี้ผมจะจัดการให้เรียบร้อยสิทวัดรรับคาแข็งขันงั้นก็รีบไปจัดการเสยเลยให้มาในวันพรุ่งนี้ก็ยิ่งดีครับผมจะไปจัดการเดี๋ยวนี้แหละครับชายหนุ่มกราบสามครั้ง ก่อนลูกออกไปแล้ววันสำคัญที่สุดในชีวิตของสมชายก็มาถึงเป็นวันที่เขาแต่งตัวอย่างลรอเลาที่สุดและเจ้าสาวของเขาก็สวยสะดุดตากว่าทุกวันแขกเหลือพากันมาร่วม ง, งานอย่างคับคัง่งและส่วนมากก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านพรกครู โดยเฉพาะเท่าแก่บกนั้นรับไหว้คู่บ่าวสาวเป็นเงินถึงหนึ่งมื่นบาทเมื่อหายจากโรคร้ายบุรุษนั้นไม่ลืมวาจาที่เคยพูดไว้ว่าจะให้เทวดาที่ต่ออายุให้โดยคิดเฉลี่ยปีละหมืน่นและเพราะเห็นว่านายสมชายมีบุญคุณนำยามาให้อย่างสม่ำเสมอจึงตั้งใจว่าจะช่วยเขาจนสุดความสามารถ หลังจากปฏิบัติกรรมฐานอยู่ที่วัดป่ามะม่วงครบสามเดือนแล้วชายชราจึงกลับไปบ้านและนำเงินมาถวายท่านพระครูห้าห0่นบาทเพื่อสมทบทุนสร้างหอประชุมและทุนเสริมสมองรายการละสองหมืบาทส่วนอีกหนึ่งมื่นบาทเขาถวายท่านพระครูไว้สำหรับใช้จ่ายส่วนตัวซึ่งจะอาวาดวัดป่ามะม่วง ก็ได้นำเงินจำนวนนั้นมารับไหวคนเป็นสิทธิ์เพียงสองรายแรกคู่บ่าวสาวก็ได้เงินเป็นก้นถุงเป็นจำนวนถึงสอง0 0บาทแล้วก็ยังมีรายละ 5,000 บาทอีกสมรายคือเท่าแก่เสงฆาบบดีและอาจารย์ชิดโดยเฉพาะอาจารย์ชิดนั้นได้กําชับนักกําชับหนาว่าหากสมชายจะแต่งงานให้สงการเฉิญไปให้เขาด้วย เพราะต้องการจะตอบแทนบุญคุณที่ชายนมได้ดูแลช่วยเหลือเขาเป็นอย่างดีระหว่างที่ป่วยอยู่ที่วัดป่ามะม่วงนอกจากรายใหญ่ๆ ห, ห้ารายแล้วก็มีรายละพันบาทรายละห้าร้อยลดหลั่นมาเรื่อยๆและรายที่น้อยที่สุดก็คือห้าบาทซึ่งมีจำนวนมากที่สุดและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง ซึ่งจะยกกันมาทั้งครอบครัวแล้วก็พากันกินอย่างอิ่มน้ำสำราญด้วยเงินช่วยเพียงห้าบาทนั้นสัปดาห์ต่อมาในสมชายก็พาภรรยามากราบท่านพระครูที่วัดป่ามะม่วงและนำเงินมาถวายห้าหมื่นบาทผมขอถวายคือหลวงพ่อเพื่อสมทบทุนสร้างหอประชุมตามเจตนารมณ์ของข้าห บ, บดีเขาครับเขาเรียนชี้แจง ไปเอาเงินมาจากไหนท่านเจ้าของกุฏิถามเงินที่เขารับไหวและเงินช่วยงานครับเบ็ดเสร็จได้ถึงเจ็ด0มืนหักค่าเลี้ยงดูออกหนึ่งมืนผมก็มีเงินเหลือทําทุนอีกหนึ่งมืนเพราะบารมีหลวงพ่อทีเดียวผมถึงได้เงินช่วยมากมายถึงปานนี้แถวบ้านผมไม่เคยมีใครได้มากเท่านี้มาก่อนเลยครับชายหนุ่มพูดอย่างภูมิใจ แต่ถ้าเธอทําบุญก็ถือว่าเป็นเงินของเธอนะเพราะข้าบดีก็ให้เธอแล้วก็เป็นอันว่างานนี้ข้าบดีได้บุญสองต่อท่านเจ้าของกุฏิกล่าวครับงั้นผมก็โชคดีที่ได้ทําบุญเป็นจํานวนเงินมากมายอย่างนี้แม้ถ้านหนูแต่งงานแล้วได้เงินช่วยมากๆอย่างเนี้ยคงดีใจตายเลยขุนทองว่าถ้างั้น ก็อย่าแต่งเลยว่าใครยังไม่อยากให้เองตายอยากให้อยู่รับใช้หลวงพ่อไปก่อนคนมากวัยกว่าออกความเห็นแม้พี่ล้วก็หนูแค่พูดเล่นๆ เ, เท่านั้นเองอยู่กับหลวงลุ ง, ลงขืนดีใจตายก็เสียชื่อหลวงลุงแย่หนูรู้หรอกนะ่ะเวลาดีใจมากๆต้องกําหนดดีใจหนอดีใจหนอรับรองว่าไม่ตายนุมวัยยีบอดบวกอีกหนึ่ง อธิบายท่านเจ้าของกุฏิจึงกล่าวเสริมอีกว่าเออรู้อย่างนี้ก็ดีแล้วคนเราสมัยนี้ไม่ค่อยจะฝึกสติกันดีใจมากก็ช็อกตายเสียใจมากก็ช็อกตายเพราะไม่รู้จักกําหนดสติไม่รู้จักวางเฉยในโล ก, กธรรมทั้งฝ่ายอิทธารมและอนิธารมบางคนถูกรางวัลที่หนึ่งตั้งห้าแสนแต่กลับไม่ได้ใช้ เงินแม่บาทเดียวเพราะดีใจจนช็อกตายไปเสียก่อนก็เขาไม่ได้มาเรียนกรรมฐานกับหลวงลุ ง, ลงจึงไม่รู้จักกำหนดดีใจหนอดีใจหนอถ้าเป็นขุนทองเหรสอสบอมอแต่พูดกับทาไม่เหมือนกันหรอกนะเจ้าขุนทองข้าว่าเองน่าจะลองปฏิบัติ ด, ดูไม่ชฉรู้แต่ทิศดีคนที่เรียนว่ายน้ำจากทิษฎีพอตกน้า ก็ตายเรียบร้อยทุกไลน์ท่านเจ้าของกุฏิเปรียบเทียบเอาไว้วันหลังหนูค่อยลองรอให้ใจคอมันปลอดโปร่งกว่านี้อีกสักหน่อยล้านชายผัดผ่อนมัวผัดวันประกันพรุ่งอยู่นั่นแหละระวังจะสายเกินไปท่านพระครูเตือนถ้าหน้ารับรองว่าไม่สายไว้ใกล้ๆแต่งงานแล้วหนูค่อยเข้ากรรมาฐานแบบพี่สมชาย ชายหนุ่มให้เหตุผลและตอนนี้จวนหรือยงังจวนแต่งหรือยังจ๊ะภรรยาในสมชายกระซาจวนแล้วละ่ะยังขาดอีกอย่างเดียวเขาตอบขาดอะไรเพื่อพี่พอจะหาให้ได้หลอนแสดงน้ำใจใหมตรียังขาดเจ้าบ่าวห่านอกนั้นพร้อมแล้ว มันจะมากไปเจ้าคุนทองมันจะมากไปท่านพระครูว่าคนเป็นหลานไม่มากหรอกห้าหลวงลุงไม่เชื่อหลวงลุงก็ลองดูก็ได้ลองหาเจ้าบ่าวมาให้หนูสักคนแล้วดูสิว่าหนูจะยอมเข้ากรรมาฐานหรือไม่ข้าไม่รู้จะไปหาที่ไหนมาให้เองถ้าหาเจ้าสาวแล้วก็อพอจะหาให้ได้คนเป็นสมภารรู้สึกอ่อนใจอุย หนูไม่เอาเอามาทำไมฮะเจ้าสาวก็หนูเป็นเจ้าสาวอยู่แล้วคืนหามาอีกได้ฟ้าผ่าตายปะไรหลงลงนี่พี่ลึกจริงๆข่าวว่าเอียงนั่นแหละพี่ลึกสมชายเธอเห็นด้วยไหมท่านถามคนเป็นสิทธิ์อย่าไปเถียงกับมันเลยครับหลวงพ่อปวดหัวเปล่าๆมันจะว่ายังไงก็ปล่อยมันให้มันว่าไปคนเดียวออหลวงพ่อครับ เจ้าสมชาติน้องชายผมไปไหนเสียละครับชายหนุ่มถามถึงน้องชายซึ่งได้มาอยู่รับใช้ท่านพระครูแทนเขาประมาณสิบวันแล้วช่วงก่อนแต่งงานเขามีธุระยุ่งมากประกอบกับท่านเจ้าของกุฏิไม่ได้มีธุระไปไหนเขาจึงไม่ได้มาที่วัดและไม่เห็นน้องชายเสียหลายวันท่านพระครูยังไม่ทันตอบคนถูกถามก็เดินเข้ามาพอดี วิตายพี่สมชายพี่แป้งรำ่ำไม่ยังไงกันเนี่ยแหมดีใจดีใจคนชื่อสมชาติทักทายด้วยเสียงมีจริตจักรันนายสมชายมองหน้าท่านพระครูเหมือนจะถามว่าได้เกิดอะไรขึ้นดูเอาเองท่านเจ้าของกุฏิตอบโดยไม่รอให้ถามสมชาติเองเป็นอะไรไปก็เป็นผู้ชายอยู่ดีๆไงมากระตุง้งกระติง้งยังกับผู้หญิงละ่ะ คนเป็นพี่ชายสงกาก็ถามขุนทองเขาดูสินี่ขุนทองนี้ชายหนุ่มหันไปพยักยเพยิดกับนายขุนทองหนุ่มวัยสองหมดัดมัดยิ้มอย่างมีชัยแล้วว่าเขาเรียกออสโมซิสค่ะคนเราจะอยู่ด้วยกันก็ต้องมีอะไรคล้ายๆคลึงกันถึงจะอยู่กันยืดแล้วนี่เอ็อยู่กับข้ามาตั้งนาน ทำไมเองถึงไม่ปรับตัวให้เหมือนข้าเหรอนายสมชายแยง้งพี่ไม่ปรับตัวข้อหาหนูเองต่างหากล่ะสมชาติเขาฉลาดกว่าพี่เยอะตรงที่รู้จักปรับตัวคนเป็นหลานท่านพระครูว่าเอาอีกแล้วว่าข้างโง่อีกแล้วสามีนางแป้นร่าว่าพี่สองคนมาธุระอะไรหรือเปล่าฮะนายสมชาติถามขึ้น คนเป็นพี่ชายจึงว่าก็จะมาดูเองนั่นแหละว่าอยู่สุขสบายดีหรือเปล่าแล้วพี่เห็นว่าหนูสบายหรือเปล่าล่วฮะคนเป็นน้องย้อนถามก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่รู้แน่ๆก็คือตัวข้านี่แหละจะไม่สบายมาเห็นเองเป็นแบบเจ้าขุนทองไปอีกคนบอกตามตรงว่าข้าไม่สบายใจเลยหลวงพ่อทำไมเลี้ยงผู้ชายให้กลายเป็นผู้หญิงล่ะครับ เขาถือโอกาสต่อว่าท่านพระครูฉันก็ไม่รู้เหมือนกันก่อเลี้ยงมันเหมือนเลี้ยงเธอทุกอย่างนั่นแหละแต่ทาไมมันไม่เหมือนเธอก็ไม่รู้ต้องยกให้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมใช่ไหมครับก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแต่ที่เธอเห็นน่ะมันไม่เท่ากับที่ฉันเห็นหรอกท่านโน้มตัวมากระซิบข้างหูคนเป็นสิทธิ์ว่าที่ฉันเห็นนะ เจ้าสมคนเนี่ยมันเพี้ยนหนักกว่านี้อีกเวลามีพวกเด็กหนุมๆหมลอ่ลอๆมาเข้ากรรมฐานมันจะแวะเวียนไปแถวกุฏิกรรมฐานวันละหลายเวลาไปแอบดูเขาแล้วก็เอามาวิภาควิจารว่าหลออย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็แย่งกันซะด้วยซ้ำถ้าทางมันจะกูไม่กลับทั้งคู่นั่นแหละท่านพระครูแจพฤติกรรมของคนทั้งสอง หลงลุงนินทาอะไรหนูหลานชายว่าข้าเปล่านินทาข้าพูดความจริงต่างหากล่ะก็ถ้าพูดความจริงแล้วทำไมต้องกระซิบด้วยล่ะฮะคุณทองแยง้งนั่นเพราะเองมันไม่ยอมรับความจริงต่างหากล่ะข้าก็เลยต้องกระซิปนะสิหรือเองจะเถียงไม่เถียงก็ได้ฮะว่าแต่ว่าหลงลุงลงรับแขกเหรอฮะ นุปล่อยให้พวกเขารอนาแล้วล้านชายเตือนนายสมชายและภรรยาจึงกราบลาท่านเจ้าของกุฏิถ้าหลวงพ่อจะมีธุระไปไหนก็ให้เจ้าสมชาติไปตามผมนะครับแต่ถ้าไม่มีผมจะขอพักอีกสักสองสามวันและค่อยมาทำงานไม่เป็นไรเชิญพักผ่อนตามสบายเถอะฉันยังไม่มีรายการไปที่ไหนในช่วงนี้ ว่าจะสะสางงานให้เสร็จเสต็สทีโดยเฉพาะงานเขียนหนังสือก่อนกลับชายหนุ่มยังสั่งในขุนทองและก็นายสมชาติว่าเองสองคนช่วยกันดูแลหลวงพ่อให้ดีนะอย่ามัวแต่ไปเที่ยวแอบดูหนุ่มๆล่ะรับรองค่ะทีนี้ถ้าจะไปก็จะผลัดเวรกันไปจะไม่ไปพร้อมกันใช่ไหมขุนทอง คนชื่อสมชาติพูดเสียงอ่อนเสียงหวานใช่แล้วสมชาติคนพูดตั้งใจลากเสียงยาวจนเกินความจำเป็นเมื่อท่านพระครูลงรับแขกที่กุฏิชั้นล่างมีเจ้าทุกรออยู่แล้วประมาณ20สิบคนสตรีวรัยห0สเศษเข้ามากราบจะให้ช่วยอะไรหรือโยมท่านเอ่ยขึ้นก่อนคืออย่างนี้ค่ะลูกชายดิฉันมาหลงเมีย จ, จนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นดิฉันทนไม่ได้คะ่ะทําไมถึงทนไม่ได้ละ่ะโยมมันไสสิคะมันไสเหลือเกินคนเป็นแม่ผัวตอบอย่าไปมันไสเขาเลยเราน่าจะดีใจสิอีกที่เขารักใกล่ปรองดองกันคนเป็นแม่จะต้องมีมุทิตาจิตไม่ใช่ไปมันไสเขานาโยมนะ มันทำใจไม่ได้ค่ะหลวงพ่อดิฉันไม่เคยพบเคยเห็นผู้ชายที่ไหนหลงเมียถึงปานนี้ขนาดพ่อเด็กเขาก็ยังไม่เคยหลงดิฉันอย่างนี้มาก่อนโยมก็เลยอิจฉาลูกสะพ้ายใช่ไหมยังไงยังไงท่านก็เข้าข้างคนเป็นสะพ้ยเพราะยังจำริร้ายของแม่ผัวในอดีตชาติได้ดีแม้ปัจจุบันจะไม่เคืองแค้นหาก็ยังจา ความรร้กาศของฝ่ายนั้นได้มันก็ไม่เชิงอิจฉานะคะถ้าเขาทำตัวดีกว่านี้ดิฉันก็ไม่อิจฉาเขาเลยค่ะเขาทำตัวยังไงล่ะโอ้อย่าให้พูดเลยค่ะหลวงพ่อพูดแล้วมันช้ำใจว่าแล้วก็ร้องไห้ได้เกียดแค้นจริงๆังในคนเป็นสปายก็ถ้าไม่พูดแล้วอาตมาจะรู้เรื่องได้ยังไงล่ะจริงสิคะ แม้ดิฉันก็ไม่น่างโง่เลยนางว่าตัวเองแล้วเริ่มต้นเล่าเป็นฉากๆอย่างชำนี้จำนานเพราะเคยเล่าให้เพื่อนบ้านฟังทุกบ้านและทุกวันจนหาคนฟังไม่ได้จึงต้องมาวัดป่ามะม่วงเพื่อเล่าให้ท่านพระครูฟังคืออย่างนี้นะคะหลวงพ่อ ลูกสะพ้ยของดิฉันนะ่ะสวยก็ไม่สวยความรู้ก็ไม่สูงกิริยามารยาทหรือก็ไม่บ่งบอกว่าเป็นชาติผู้ดีแถมฐานะก็ยากจนค้นแค้นดิฉันก็ไม่รู้ว่าลูกชายของดิฉันนะ่ะมันไปหลงได้ยังไงดิฉันจะไปขอลูกสาวเศรษฐีให้เขาทั้งรวยทั้งสวยมันก็ไม่สนใจเขาดันไปคว้าแม่นี่มาเป็นเมียก่อเขาชอบของเขาหนีโยม เขาคงจะเป็นเนื้อคู่กันปล่อยเขาไปเถอะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยสมภารวัดป่ามะม่วงกล่าวเตือนไม่ยุ่งได้ยังไงล่ะคะหลวงพ่อดิฉันสงสารลูกชายค่ะมันใช่ลูกชายฉันยังกคิดค่าหาเงินมาเลี้ยงมันแล้วต้องซักผ้าให้ซักแม้กระทั่งกางเกงในของมันขนาดดิฉันเป็นแม่แท้ๆยังไม่เคยให้ลูกซักกางเกงใน คนเป็นแม่ผัวพันน า, นามันจะมากไปมันจะมากไปถ้าถึงขนาดให้ผัวซักผ้าให้แบบนั้นก็แย่นะสิคนอย่างนี้หากินไม่ขึ้นโบราณเขาถือนักหนาผู้ชายรักเมียถึงขนาดนี้อัตมาไม่สารเสริญแน่ไม่น่าสารเสริญเลยเป็นครั้งแรกที่ท่านเข้าข้างคนเป็นแม่ผัว แล้วดิฉันจะทำยังไงล่ะหลวงพ่อพามาหาอาตมาแล้วจะช่วยอบรมให้พามาทั้งสองคนนั่นแหละค่ะแล้วดิฉันจะพามาขอขอบพระคุณหลวงพ่อมากดิฉันถือโอกาสกราบลาละค่ะรายต่อมาเป็นบุรุษวัยห้าสิบเศษหน้าตาเขาหมองคล้ำเหมือนคนที่กำลังมีทุกข์อย่างหนักกราบท่านพระครูแล้วจึงเรียนว่า เรื่องของผมเป็นความลับครับถ้าหลวงพ่อกรุณาผมอยากปรึกษาตัวต่อ ต, ตัวครับไม่เป็นไรพูดเบาๆพอได้ยินกันสองคนก็ได้โยมมีอะไรก็ว่าไปเลยท่านแม่อนุญาตให้ขึ้นข้างบนด้วยเห็นว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้นคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อคุณแม่ผมอายุแปสิบแล้วแกหลงหลงมาตั้งแต่ ยังไม่เจ็ดสิบผมไม่กล้าพาไปไหนเพราะอับอายขายหน้ามากแกมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ใครๆเห็นก็ต้องตําำหนิติเตียนผมจะบาปไหมครับถ้าเอาความลับของผู้บังเกิดกล้าวมาเปิดเผยให้หลวงพ่อทราบโยมมีจุดประสงค์อะไรที่ต้องทำเช่นนั้นละ่ะคือหมายความว่าโยมมีเจตนาดีหรือเจตนาร้ายต่อท่านเจตนาดีครับ ที่ต้องเอามาเปิดเผยก็เผื่อจะช่วยแก่นะครับเมื่อหลวงพ่อฟังแล้วเผื่อจะแนะนําผมได้ว่ามีวิธีแก้ไขอย่างไรท่านเจ้าของกุฏิจึงตอบเขาว่าถ้าอย่างนั้นไม่บาปเพราะโยมทําด้วยเจตนาดีเขาหันซ้ายหันขวาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครได้ยินแล้วจึงเล่าด้วยเสียงที่เบาที่สุดคือแม่ผมแกชอบล้วงเข้าไปในผ้าถุงครับ เอามือล้วงเข้าไปตรงนั้นแล้วก็ควักมาดมเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่อายุยังไม่ถึงเจ็ดสิบผมไม่กล้าพาแกไปไหนเพราะอับอายขายหน้าชาวบ้านก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ทราบว่าแกมีพฤติกรรมอย่างนี้ผมก็พาแกไปทอดกระถินที่วัดต่างจังหวัดซึ่งผมเป็นประธานของงานความที่ผมอยากให้แม่ได้บุญเลยพาแกไปด้วยและแกก็ไปทำอย่างเนี้ย ทำให้ผมกับภรรยาอับอายขายหน้าเขามากเพราะกรรมอะไรครับและผมจะแก้ไขอย่างไรท่านพระครูรู้สึกสังเวชใจที่ได้ยินได้ฟังและท่านก็เห็นกฎแห่งกรรมของสตรีวัย8ปสิอย่างทะลุปลุปโปรงมันเป็นกฎแห่งกรรมนะโยมคุณแม่ของโยมทํากรรมไว้ตอนสาวๆแล้วกรรมนั้นก็มาให้ผลตอนแก่โยมอยากทราบไม่ว่าทากรรมอะไรไว้ อยากทราบครับกรุณาบอกผมด้วยเถอะครับโยมเชื่อเรื่องสเสน่ยาแฝดหรือเปล่าเรื่องผู้หญิงที่ชอบทาเสน่ห์ให้สามีหลงะเคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับแต่ไม่ค่อยจะเชื่อว่าเป็นไปได้คือผมหมายถึงว่ามันจะได้ผลนะครับคนมีแม่อายุแปดสิบตอบจะได้ผลหรือไม่ได้ผลมันก็ขึ้นอยู่กับคนถูกทำนะโยม ถ้าคนถูกทำจิตอ่อนก็ได้ผลแต่ถ้าจิตแข็งสเสนยาแฝดที่ว่าก็ทำเขาไม่ได้ทีนี้ในกรณีของคุณแม่โยมนั่นน่ะได้ผลเพราะคุณพ่อโยมเป็นคนจิตอ่อนที่อาตมาพูดมานี้โยมอาจจะไม่เชื่อเพราะฟังดูเป็นเรื่องเลยวไหลไร้สาระใช่ไ้ยแต่ถ้าโยมคิดแล้วก็พิจารณาตามหลักของเหตุผลแล้ว พฤติกรรมของคุณแม่โยมเป็นเรื่องพิสูจน์ได้อย่างดีที่สุดคำพูดของท่านพรักรูทำให้บุรุษวัยห้าสิบเศษหัวละลึกถึงเหตุการณ์สมัยที่เขายังเด็กและมารดายังสาวพอจะจำได้ว่ามารดามักจะนั่งคล่อมบนอาหารที่จะให้บิดารับประทานและหากเป็นผักสดและผลไม้นางก็จะเอาซุกเข้าไปในผ้าถุง เช็ดถูกับบริเวณใต้ท้องน้อยแล้วก็นำไปให้บิดารับประทานท่านเจ้าของกุฏิให้เวลาเข้าในการรำลึกนึกย้อนไปยังอดีตเสร็จแล้วจึงพูดขึ้นว่าเรื่องการทำสเสน่ห์น่ะมันเป็นสยศาสตร์เป็นเดรัจฉานวิชาเมื่อคนถูกทำสเสน่ห์ตายลงมันก็จะกลับมาหาตัวคนทำโยมสกเกตรหรือเปล่าว่าคุณแม่โยม เริ่มมีพฤติกรรมเนี้ยหลังจากที่คุณพ่อเสียไปแล้วครับคงจะจริงอย่างที่หลวงพ่อว่าคุณพ่อผมเสียชีวิตตอนที่คุณแม่อายุห0สิเศษเศษหลังจากนั้นไม่นานคุณแม่ก็มีพฤติกรรมแปลกๆอย่างที่เป็นอยู่คนพูดรู้สึกร้อนอกร้อนใจที่มารดามีอันต้องเป็นเช่นนี้ได้ผมจะช่วยแกได้อย่างไรครับถามเสียงละห้อย ช่วยไม่ได้หรอกโยมคนแก่จนหลงแล้วไม่มีทางแก้ได้ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาสิ่งที่เกิดแล้วแก้ไม่ได้ในกรณีนี้แก้ไม่ได้โยมจำไว้เลยแล้วก็ไปสอนลูกหลานว่าอย่าไปทำสเสน่ห์สามีเขาจะรักหรือไม่รักก็ช่างเขาเพราะมันจิตใจของเขาเราไปห้ามไม่ได้ถ้าไปทำสเสน่ห์ให้เขามารักบาปกรรมก็ตกอยู่ที่ตัวเรา เพียงแต่ว่ามันจะปรากฏผลให้เร็วหรือช้าเท่านั้นอาตมาเสียใจที่ไม่อาจช่วยคุณแม่โยมได้แต่ถึงจะช่วยแม่ไม่ได้แต่ก็ช่วยผมได้ครับเพราะเมื่อผมรู้เช่นนี้แล้วก็จะทำใจได้แม่แกเป็นคนทำกรรมแกก็ต้องรับผลของมันและผมก็จะสอนลูกสอนหลานไม่ให้เอาเยี่ยงอย่างแกถึงอย่างไร ผมก็จะได้รับประโยชน์จากการมาครั้งนี้ครับเขากล่าวด้วยใบหน้าที่ดูดีขึ้นนิดหนึ่งนิดเดียวจริงๆ